بسم الله ي و الشيطان ا ل رجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والعقبة ا ل م ا ل ت ق ي ن ولا ع د و ا د إ ل ا على ا ل ظالمين صل و س ل م على أشرف ا ل و ل ي ن والأخيرين مين ا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى ا ل د ي ن و سلم تسليما كثيرا و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق> ส ب, ุรติมาอิดานะครับมีความต่อเนื่องในเนื่อหาที่เกี่ยวกับรณานศิทธะสุราเริ่มต้นด้วยอายุของเลานันเอามนไหมที่ว่าเริ่มต้นสุรศด้วยการเรียกความสนใจของรู้ศัทธา แล้วหลังจากนั้นก็จะมีการพูดถึงอภิสิทธิ์ที่เราสุภาในมัวตาลาให้กิดศราโดยเฉพาะนันก็คการที่พระองค์ได้ทรงยินดีที่จะให้อิสลามนัม้นเป็นศาสนาของพวกเขาซึ่งเป็นความโปรดปราน อันนี้ลวงที่อัลลอ์ให้กับให้นนกับุสตาอัตที้คือการรับคำสั่งหน้าที่ของมุสลิมที่จะต้องภูมิใจในคำสั่งสอนของอิสลามมีความภูมิใจที่พระผู้เป็นเจ้านั้นได้ให้ความสำคัญกับชีวิตของเราจึงส่งคำพีและก็ส่ง ศาสนาทูตส่งสมงหมดวิญญาณที่เป็นวิธีชีวิตของนุสเซียมของผู้ศรัทธานั้น่านจะต้องเกิดความภูมิใจกับผู้ศรัทธาทุกทุกคน <c oughs> มีคนคนที่มีอะไรที่น่าภูมิใจ หมายถึว่มีสิ่งดีๆที่อยู่ในมือคุณมือของตัวเองควรที่จะเอาสิ่งดีๆนั้นมาเป็นประโยชน์สร้างประโยชน์ให้กับตัวเองกับคนอื่นและสิ่งดีๆนั้นก็จะต้องเป็นสิ่งที่มีคุณสมบัติ เมื่อเอามาใช้แล้วในการสร้างความดีกับชีวิตของเราชีวิตของคนอื่นนั้นมันจะต้องเกิดความดีที่เราประสบหมายถึว่ามันเป็นของดีจริงๆมันไม่ใช่ไม่มีไม่ไม่ใช่ไม่มีของดีไปอวดก็ เ, เลยอวดดี ส่วนมากมุสลิมเราปัจจุบันนี้นะน ะ, ะมุสลิมนี่อะไรอะ่ะโอยบรรพบุรุษเราเคยเป็นเจ้าของ อ, รอารยธรรมเราเคยปกครองลกูกอันนี้อดีตเอาไปดูเรื่องอะไรในปัจจุบันที่จะเอามาอวดนทบไม่มีแทบไม่มีมมนอาของของดีของบรรพบุรุษ มาอ้างจริงหรือมาสร้างความภูมิใจกรอนรับบทดนิงจะบอกว่า ليس ا ل ف ت มัน ق า ل كان أبي ولكن الفتى من قالها أنا زا ลูกผู้ชายจริงๆจะไม่พูดว่าอายุฉันปู่ย่าตายของฉันเคยเป็นคนรวยเคยเป็นอย่างงุ้นลูกผู้ชายเก็จะไม่อ้าง ญาตายายของดีของผู้ชายที่จะอ้างของดีของตัวเองของดีที่ตัวเองไม่มีสิ่งดีงามที่มันน่าภูมิใจในตัวเราเระชาชาิอิสลามมีหน้าที่วัจจุบันก่อนที่จะคิดทำอะไรเลยนะพอทุก ต, ตัวนีนจ้จุดที่ทำให้พวกเราขยับตัวไปสู่วาระแห่งการสร้าง สร้างคุณสมบัติสร้างคุณงามความดีกับตัวเองกับประชาชาิและสิ่งเหล่านี้มันจะไม่สามารถขยับตัวได้ด้วยความคิดที่ไม่ได้เกิดจากศาสนาการฟื้นฟูนฟนอารยธรรมการฟื้นฟูนฟนความมิติเยตของมุสลิมนะจะไม่เกิดจากชาตินิยม มุสลิมจะไม่ไม่รุ่งเรืองจะไม่เจริญถ้าหากว่ามีความภูมิใจในมาลายูในความเป็นไทยมากกว่าความเป็นมุสลิมสำคัญมากเพราะเดียนี้คนที่เคยเป็นเจ้าของศาสนานี้ก็คือกลุ่มชนอารับในประเทศอารับที่ครอบศาสนามาตั้งแต่แรกเลย อัลลอฮฺสุภาณอวตารเราไม่มีเซ้นนะพอพวกอาดับนี่ไปปุ่มใจในเชือ้อชาติอาดับเกิดชาตินิยมที่ที่มีความสำคัญมากกว่าอิสลามนิยมออัลลอฮก็ยึดตั้ไม่ต้องทำงานต่อไม่ต้องรับใช้อัลลอฮฺ เรืองรัมชาติศาสนานวตาและเรื่องเรื่องอื่นจากอิสลามนั้นน่ะจนถูอต้องมาในลําดับรองไม่ใช่ลำเลข์ <c oughs> โลกมุสลิมปัจจุบันนี้ก็ตกเป็นเหยื่อของละทิ้หรือความคิดอื่นจากอิสลามที่สร้างความภูมิใจในตัวมุสลิมมุสลิมจริงไม่มีความภูมิใจในตัวอิสลามภูมิใจเป็นอารัก ภูมิใจเป็นไทยเป็นมาลายีจริงๆนะผมไม่เคยคิดว่ามีมุสลิมจะภูมิใจว่าเป็นคนไทยไคยคิดนะมีอะไรอ่ะมะได้ไทยผมุสลิมโหช่งโชคดีกเกิดมะได้ไทยมีวัดพระแก้ว ม, ม, นนกมันมันนะึกมันมึนเงิน จะภูมิใจอะไรอะไรที่มันจะภูมิใจพอมาย้อนถึงตัวเองว่าแล้วตัวเองเป็นมุสลิมป่ามันมันสวนกันสวนกันโอภูมิใจประเทศไทยเป็นแผ่นดินอุดมสมบูรณ์มีทุเรียนมีทุเรียนคนมาเลเขามากินทุเรียนประเทศไทยภูมิใจนั่นแหะไปหาดูที่เอามีเมียนอื่นภูมิใจไหม หมายถึงว่าปะเทีไทยเนี่ยหมายถึงอะไรเป็นมาเลเอย่างเงี้ยอพราะมาเลเซีศรษฐกิจดีแล้วก็ประเทศอืนเศรษฐกิจก็ดีกว่ามาเลเซียเราหาจุดเด่นไปหาจุดแข็งอื่นจากอิสลามนะถ้าจะมาผูกพันกับความเป็นมุสลิมเนี่ยมันตกหมดตกไป่ไมเหลือไม่มีไม่มีเหตุผลไม่มีความหมาย มุสลิมจออูดในเรื่องในเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องอิสลามนะก็จะปวดไม่ขึ้นไม่ไม่ฟังไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ได้พูดอย่างนี้เพราะมันยังคงเป็นกระแสในสังคมเป็นกระแสในสังคมถึงระดับนักวิชาการนักวิชาการมุสลิ ม, มที่ยงติด ชาติอุยงชาติอุยงไทยวิเคราะห์สถานการณ์ซีเรียอียิปต์เราเป็นคนไทยเราต้องวิเคราะห์แบบไทยๆอืมนต่ไไงวิเคราะห์สถานการณ์ซีเรียอียิปต์โดยเป็นคนไทยและความเป็นมุสลิมเย้เราวิเคราะห์สถานการ ณ, าารณ์ทุกสถานการณ์ทนะุกสถานการณ์ เราเห็นนกบินเนี่ยวิเคราะห์นกบินเนี่ยวิเคราะห์ด้วยความเป็นมุสลิมเพราะจะวิเคราะห์แบบไทยๆเนี่ยนะนกบินโอ้ น, น, อนี่นกบินเหมือนเหมือนเต้นเต้นไทยมันก็ไปไปไทยๆ ไ, ไปหมดเลยนะแต่วิเคราะห์ต้อสถานการณ์นกบินเนี่ยนกสร้างภูมิใจที่เกิดเป็นเป็นบ่าวของอัลลอฮ์มีพระเจ้า รู้ข้อที่จริงรู้สรรพสิ่งต่างๆนี่มันมันเกิดมันถูกบริหารในโลกนี้ยังไงนี่แค่นี้ก็โง่มหาศาลแล้ววิเคราด้วยความเป็นมุสลิมมันจะเป็นมุมมองคนแล้วมุมมองจะคนอื่นที่มองโลกมองตัวเองมองโลกมองสรรพสิ่งมองสถานการณ์มองเหตุการณ์มองคนมองกลุ่ม มองประชาชาตินอื่นด้วยอุดมการที่ไม่ใช่อิสลามมันจะผิดเยี้ยนสิ้นเชิงถ้ามองด้วยความเป็นมุสลิมโดยอิสลามนั่นค่ะอัลลอฮ์ให้ถ้าอัลลอฮ์ในส่วนไหนจะพูดกับเราพูดกับผู้สัจัยอายุอัลลอฮ์ดีนอามานูหลายบทลายลอายะแล้วก็มาสะดุดที่อายะห์หนึ่งทิ่ ยูเนมบอกกับเราบอกว่าอายันนี้ไงนะถ้าเรารู้ว่าถ้าเรามีอายันแนี้เนี่ยเราจะถือว่าวันที่ได้ประทานลงมาอายันเนี่จะเป็นวันเฉลิมฉลองของเราอันไหนอะวรดีตุอเลวมะอัตมัลตุลกุมดีนะกุมอัตมัมตุอเลกุมนาะมัติวรดีตุลกุมอิสลามดีละพระผู้ไถ่เรที่จะอิสามเป็นศาสนาของเจ้า อัลลอฮได้ให้ความโปรดปรานอย่างสมบูรณ์กับพวกเจ้าแล้วก็เป็นจริงเป็นวันเฉลิมฉลองจริงอีกใหญ่เนี่ยถูกประทานลงมาในช่วงอีกใหญ่ไปดูประภาในวันอรัรฟัดก่อนอีกใหญ่วันหนึ่งก็เป็นวันสำคัญที่สุดมีม <c oughs> ีอะไรที่น่าภูมใจแบบนี้ มันก็จะต้องสมกับเกียรติเกียรติของสิ่งดีๆที่เรามีอิสลามมันก็จะต้องไปบริหารเข้าไปในชีวิตเข้าเป็นชีวิตเข้าเป็นทุกซอกทุกมุมเนี่เพราะดาว่าเราภูมใจ่เป็นมุสลิมจริงน่ะนะภูมิใจในอิสลามจริงน่ะแต่อิสลามมันไม่อยู่ในชีวิตนเราคิดคิดไม่คิดแบบอิสลามไม่คิดแบบอิสลาม มองสถานการณ์มองประเด็นมองปัญหาด้วยมุมมองด้วยหัวใจที่ไม่ใช่อิสลามแล้วมันจะภูมิใจตรงไหนอิสลามจะเข้าไปจัดสรรจัดระเบียบบริหารเข้าไปในสมองอิสลามจะเข้าไปในสมองเข้าไปในหัวใจอิสลามจะสอนเรารัดเกี่ยงไรโกรธและเกลียดยางไรอิสลามจะสอนเราเนี่ย รรศรัทธายังไงไม่ศรัทธายังไงปฏิเสธยังไงไม่ปฏิเสธยังไงมีมารยาทแบบไหนปฏิเสธมารยาทยังไงสอนให้เรามีความสัมพันธ์กับใครตัดความสัมพันธ์กับใครสอนให้เราแม้กระทั่งความสวยงามความสวยงามจะพิสูจน์ความสวยงามยังไงมาตฐานแห่งความสวยมองนิ่งเฉย อิสลามจะสอนอิสลามจะสอนเราใี่แต่งตัวยังไงตห้จัดระเบียบชีวิตของเราในการกินการอยู่การมีครอบครัวมีสามีมีภรรยามีลูกมีเพื่อนตั้งบริษัท ต, ตั้งองค์กรทางานองค์กรทางานสังคมทํางานการเมืองทุกสิ่งทุกอย่างนี่อิสลามจะเข้าไปจัดใส่ถ้าหากว่าอิสลามเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจสําหรับมุสลิม แต่นี่แหละที่เราสุขานุโม ي นาได้ย้ำกับบรรดาผู้ศรัทธาในอายะที่แอิมามอิมามอินนัลไควม์ มนุษย์นี้บางทีเกิดเกิดหลายครั้งในชีวิตเขานีะเกิดหลายครั้งเขาเกิดมาช่วงแรกในชีวิตเนี่ยเกิดเสมือนไม่เกิดที่เกิดเสมือนไม่มีชีวิต ม, มีชีวิตมีหายใจมนุษย์ที่เคยเกิดมนุษย์ที่เคยเกิดกับ กลุมชนที่มีอาชีพที่ด้อยอที่ต่ำต้อยอย่ะประธานโทษไม่ได้เป็นการตําหนิแต่เป็นการบ่งถึงข้อแตกต่ตางเกิดกับอาชีพคนที่เก็บขยะขยะพ่อแม่เขาเก็บขยะเขาก็เก็บขยะบ้านเ้าก็เต็มไปด้วยขยะ เพราะเขาได้มีโอกาสเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนสถานะภาพของชีวิตของเขากลายเป็นคนสิทษฐีเป็นคนรวยไม่ต้องพึ่งอาชีพแบบนี้บ้านเขาก็เป็นวังไม่มีขยะนี่ไม่มีไม่มีกลิ่นที่มันสร้างาความรําคาญากับคนทั่วไปไม่มีคนที่เปลี่ยนชีวิตเนยว่อเหมือนเกิดใหม่ แค่แค่วิธีชีวิตดันว่าถูกนว่าถูกตลอดชีวิตเคยเคยไปโรงเรียนทีบจักรยานไปมหลาลัยทีบจักรยานฮะพอเริ่มมีอาชีพมีเงินเดือนซื้อรถซื้อรถแล้วขับรถอ้ยมันก็เกิดใหม่วะบางคนก็เคยขับรถกระบะ ลลไลหใ้ความสานอะไืมาขับเบน<ฮะ>ชมุมกรเกิดใหม่ว่ดมีแค่ขับเบนนั่นนะรู้สึกว่าเกิดใหม่วัตถุยังรู้สึกเปลี่ยนแปลงแต่เราตรีมเนียบอกว่าเกิดใหม่นี่มนุษย์ที่เกิดใหม่นี่บางทีอยู่ในบรรยากาศไม่ใช่บรรยากาศที่เอาล็อต้องการให้มนุษย์เอ้วอรสต้าได้เป็น อาเกิดมาในบรรยากาศไม่เคยเละหมาดไม่เคยทําห้บาดาไม่เคยยิกรุลนโลกไม่เคยไม่เคยทําอะไรที่เป็นเป็นคุณงามความดีแล้วรู้สึกมีความสุขความสุขของเขาเคยอยกับบุหรีกับเหล้ากับกับปผิงกับการทําจีนากับความสุขอยู่ตรงเนี้ย แต่พอล l l a h ให้เขามีฮ i d a ะ a h เข้าไปอยู่ในหัวใจและอิสลามเข้าไปปรับปรุงโครงสร้างชีวิตปรับปรุงสมองหัวใจปุ๊บทําไมแาบนั้นเลเล็กน้อยเนี่ยละหมาดแล้วรู้สึกว่มีความสุขมากกว่าที่เคยจะมีความสุขกับการกินเหล้าการทำที่นาล้วมาดแค่สองรากาบกโอ้โหนี่มันคนในชีวิตเปลี่ยนกะเกิดใหม่ที่อยากจะบอกว่าพฤติกรรมของเรา มันขึ้นอยู่ที่มุมมองความสุขของเราขึ้นอยู่ที่มุมมองทัศนะคตินักติคนหนึ่งเสพยาบอกว่าโอ้โหคนละโนคนละชีวิตเดิมกระทำต่ อ, อสองเจ้านู่อย่านั่นๆนะคุณต้องลองแต่ไอคนที่ไม่เสพนี่บอกว่ามันมันนี่นั่นแล้วมันเสียสติแล้วดูสิบางคนสองคนนี้จะเป็นพี่น้องกันพ่อแม่เดียวกันแต่มอง มองสิ่งนึงสิ่งเดียวอะนะมองคนละมุมมองความรู้สึกกับคนและความรู้สึกความสุข ก, กับคนละความสุขคนนี้จะชวนแล้วก็ละหมาดเกียร์มือเลนหรือมีความสุขมากสุขตรงไหนวะละหมาดจะมากเกียรมุเลนเลียนปวดเมือ่อยคนละมุมมอ ง, มองแ้วจะปรับทัศนคติและมุมมองของเราอย่างไงให้เราได้บรรลุสิ่งที่มัน ความสุขใช่ความดีที่มันสอดคล้องกับธรรมชาติกับสรีระที่อัลลอ์สร้างไว้อัลลอ์สร้างเราให้มีความสุขแบบไหนเนี่ยอิสลามก็ต้องเข้ามาปรับปรุงเอคนที้มีอิสลามแล้วนี่เขาจะคิดไ เ, เอามนไหเศรีศยาและมีความสุขใช่ความสุขที่อัลลอ์ต้องการให้เราได้ในโลกนี้หรือ การดื่มแล้วแลวมีความสุขมันเมาแล้วมีความสุขใช่เป็นความสุขใช่เป็นความสุขเดียงเราต้องอ่านคุรอ่านคุร์อ่านก็จะสอนว่าไม่ใช่มันมันคนละเรื่องไอ้คัไอะที่แปดนี้สาคัญมากในการปรับทัศษะกาติ ปรบมตรฐานของเราในการมองในการวิเคราะห์ในการมีจดยนต่อประเด็นต่อสิ่งต่างๆในโลกนี้อัอฺวาข้าพ้าเปนผู้ทีู่กลลอฮฺและไชนชั้ยของชั่วร้าอนมดกอวานูลลอฮฺแะไม่เอในั่วรอว้ายอื่นี่อืนๆทีม่ได้รักอว่าเนผู้ทอัลลอฮะอยา هو أقرب ل ل ت ق و ا واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فوسعتها ثلثي يا أيها الذين ترمي فوسعتها ثلثي. บอ ل ه ล سورة ماي نا จะ مي ب ر يا أيها الذين. الله ريح ريح ريح ف و س ت ه ا ทุกทัวนิดนึ่งเคยบอกก่อนนู้นบุอ่านเอาลอ์ประทานลงมาให้ใครคําถามเอาลอ์ประทานบูญอ่านลงมาให้ใครลงมาให้ให้ใครน บ, บีน บ, บีมุฮัมมัดส่วนมากเขาจะตอบกันอย่างนี้ลอร์ดประทานบูญอ่านลงมาอย่างนั้นน บ, บีมุฮัมมัดมีใช้คําตอบที่จะตอบคําถามด้านประวัติศาสตร์ ดันซีรั่มแน่นอนอุรานทูปฮาลุมะยังกันในมุฮัมมัดเมจิอัลีมโรเชียนิสยานุไซรียนอืมซีเรี a นบอกว a าจิบรีลีพะไอ้บุคคลนี้ i ูดิ่งๆเขาเนี i ยค i ที่จิบรีเนี่ยคนที่จิบรีมาสินเจ้ ไอ้มาชิ้น่นมันยังไม่พ่าดเลยให้แสนเนี่ยไปฝากธนาคารนี่นะธนาคารเดียน่นะมันไปฝากเกษตกรนนะ่ะไม่ใช่แบบ น, นี้มันโดนไล่แล้วถ้าแบบนี้มันโดนไล่แล้วแอ้ที่จิบรีผ้าจริงๆน่นะจบแล้วนะจีบรีอวัดอนาคุตไม่ต้องมีแล้วโอ้ดีบรีผ้าแทนที่จะเอาวะยูไปให้นบีมุบไปให้อลีอนะอไปอีกคนให้ น, นบีมุบ เราก็จะตอบคําถามในประวัติศาสตร์ที่ทุกคนต้องตอบอ่ลกุรอานนี่อัลมาประานลงมาท่านหนึ่มุฮัมมัดสโลโล น, นี่แต่นี่มันไม่ใช่คาตอบที่เราจะถามอุษ ม, มที่มีความเชื่อต่ออัลกุรอานอัลลอฮฺประทานลงมาท่านหนึ่มุฮัมมัดแต่ไม่ได้ประทานลงมาท่านหนึ่งว่าใช้คนเดียวก็แสดงว่า An, Quran, a า uh l ha, at, uh as, a h ประทานคุรอ่านลงมาให้แก่มนุษยชาตทั้งหลายให้มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยได้ใช้กุรอ่านในคุร์รอ่านจะมีคําเรียกร้องคําเชิญชวนเนี่ยอายุหันเนสโอมนุษยชาตทั้งหลายโอมนุษย์ทั้งหลายมานุษย์แล้วจะมีคําเรียกชักความอุศะยาเออยุห์และดีนอามัน อันนี้พิเศษกว่าเพียงอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เรียกผู้ศรัทธาเนี่ยผู้ศรัทธาก็ต้องคิดคิดหนักเลยคุรานจูกประทาลงมาแก่มนุษย์ทั้งหลายแต่จะมีบางสว่วนคุรานนี้อัลลอฮฺเรียกศรัทธาโดยเฉพาะแสดงว่ามันมีความพิเศษของผู้ศรัทธานในการที่จะน้อมรับ คำสั่งสอนของรสวกาลนเตานตรงนี้ถ้าเราอยู่ในห้องประชุมใหญ่มีคนมาร่วมกิจกรรมเป็นพันคนคนที่ขึ้นบนเวทีเนี่ยเป็นคนสำคัญเป็นผู้นำประเทศหรือเป็นคนสำคัญ บคนสสำคัญนี้เวลาเขาจะเรียกพี่น้องประชาชนพี่น้องนะผู้มีเกียรติที่มาร่วมกิจการ่าพูดกับทุกคนแต่หากคนคนนี้คนสำคัญคนคนนี้ได้เรียกเราเฉพาะจบจบจงเขามาใส่เสื้อแดงกันหมดเราใส่เสื้อขาวอยู่คนเดียว ทีน้องที่ใส่เสี่อสขาวะคนที่ใส่เสสีแดงมองมองกนที่ใส่เสื้อสีเราก็รู้สึกโอ้อให้เกียดขนาดนี้เขามองเขาจอจเลยความรู้สึกนี้มันจะเกิดขึ้นไหมขนาดที่ a l ม a h ฟันะตะวายะอิยูฮัลลัลบนะอามนรู้สึกยั้ึกว่า a l l h ูดถึงคนอื่น บางทีต้องมาทบทวนพูดถึงอุตสาห์อ๋อคนถึงไม่ดีไม่ดีผมอันตรายร้ายแรงเลยเวลาอ่านคุณอ่านแล้วก็เอาพูดกับเราเองอะไรตึกลงราเป็นกาเฟ่ะเป็นคาไวท์เป็นอะไรนสงสัยตัวเองอะไรเป็นอะไรก็บรรทดอะไรกันแน่คุ้นตาคุณนดึงยิ้ยิ้ม อย่าอายุให้เหล่านั้นเราเองนี่ไม่มีคนอื่นมาพูดกับผู้ศรัทธาถ้าเราเป็นผู้ศรัทธาจริงๆนะนะหมายถึงว่าเราเชื่อเชื่อว่าพระสุภณะวัวตาละได้ประทานกุรอ่านลงลงมาเพื่อให้เป็นแนวทางสําหรับผู้ศรัทธานี่แสดงว่านี่มันเป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องตดจ้องและให้ความสำคัญ สนับก็ได้ยินยาอายุวัฒนดีนะอานฟังให้ดีฟให้ดีมีเรื่องมีเรื่องพิสิกมีเรื่องเฉพาะมีเรื่องใหญ่สำหรับผู้ศรัทธาก็มีเรื่องจริงยาอายุวัฒนดีนะอามันมาก็จะเป็นเรื่องเรื่องใหย่ แล้วว่ ي อย่าอายุฮะละดีนะอามะนุหลังจากที่อาย ت ฮะละดีนะ ت ามะนุมักจะเป็นตกลจะเป็นบทบัญญติที่ใช้ให้ผู้ศรัทธานั้นได้ทำอะไรที่ผู้ปฏิเสธนี้ทำไม่ได้ต้องรอดูอย่าอายุฮะละดีนะมันก็นั่นนะอย่าอายุฮะละดีนะอามะนุอีดะตุ่มตุ่มอีนมาให้ลมาูทำไม่ได้ แสดงว่าตะการลีฟหรือบทบัญญัติที่ให้ใช้ใช้ผู้ศรัทธาจะต้องมีเงื่อนไขสำคัญสำหรับคนที่ทำเรื่องนี้นั่นก็คือเป็นผู้ศรัทธาอัลลาฮฺบอกว่าคุนุกวามีนลิลลาฮิสุฮัดาอบลิกิสต์จงเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีเพื่ออัลลอฮ กัวมีนาลิลลัยปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีเพื่ออัลลอเป็นพยานด้วยความเที่ยงธรรมและจงอย่าให้การอเอาคนี้ก่อนกูลกัวมีนาลิลลัยซุฮาดะบดลกิสจงเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีเพื่ออัลลอและเป็นพยานด้วยความเที่ยงธรรม ชีวิตทั้งชีวิตนะชีวิตทั้งชีวิตเลยง่ายที่จะสำรวจตัวเองว่าละหมาดครบไม่ครบสกาสสตุ้งสตางครบไม่ครบถือธนูเดลมดาบอลครบไม่ครบแต่อาญานี่เนี่ยชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยถ้าทบทวนแล้วนี่นะจะเป็นอาญาที่สาม ลำบากความเครียดพอสมควรสำหรับผู้ศึกษาปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีแค่ปฏิบัติหน้าที่นี่มันครบหรือเล่าเราด้วยดีเลยนะอันนี้ยุท์แต่ปฏิบัติหน้าที่แล้วจะด้วยดีป่มาจากไหนด้วยดีในอายะมันไม่มีเขาเขาตีความ อามบอกว่ากู้นูกู้นูเนี่ยจงเป็นจงเป็นเกวามีเน่ยเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีลินะเพื่อนปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีเนี่ยต่อห น, น้าคําว่าเกวะมีนะถ้าคำว่าเกวามีนะ น, นะนี่ยมาดูาศิรักสักีิมันเนี่ยเกวามีน คุณคุณไม่ก้าวมีนคุณคุณแม่ว่าอะไรก้าวมีนคุณคุณไปกันใหญ่ไปนี่ ไปกไปกันรอกวามินกวามน قيام ุนเลยอา قيم ا ل ص ل ا ใครเขียนเสนอความมีเนี่ยมาจากราศัพท์ก่อมาราศัพท์ก่อมาก่อมาแปลว่าอยืนกขึ้น ขึ้นยืนแต่นี้มันไม่คิดก้าวมานี่มันก้วาวมีก้ามาแปลว่ายืนยืนนาทีเดียวยืนสองนาทียืนชัวน่วมงงก็ได้กว่าก้ามาประธานของมันนี่นะก็คือกออิมกออิมแปลว่าคนยืน คนยืนผู้ผู้ยืนถ้าต้ว่าเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเป็นโครงสร้างนาที่มีเนื้อหาของกิริยากิริยาอย่างเข้มข้นอ้คนที่ละหมาด ก, กันคืนนะ่ะละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างเขาก็เรียกว่า ก็อิมุลเลยก็อิมุนเลยแต่ด้าหากว่าละมาบ่อยละหมาดกลางคืนบอ่อนก็เรีกว่าก้าวานก้าวานเลยอินบ่อยืยนนานแต่ก้าวานนี่นักภาษาเขาก็บอกว่ามันจะมีนะครับสิกิอิทธิยักหนึ่งก้วานแปลว่ายืน ในขณะดูแลรักษาหน้าที่อะไรสักอย่างหนึ่งเช่นคนที่ละหมาดเตียมวุฒเลนทากาวามันนะไม่ใช่หนึ่งเดียวคนลมาดีหนึ่งเดียว่ะคนละหมาดเตรียมวุฒเลนเเขาจะต้องรวบรวมสมาธิในบรรลุความต้องการจากการละห่าดเตรียมวุฒเลนความสุขจากการละหมาดเตรียมวุฒเลนซึ่งอันนี้มันต้องมีพรัชญาเดียวกัน Allah บอกว่าค ai. ูณควรวามีนา้นลิลลาฮิปฏิบัต e ิหน ah. ้าที่ด้วยดีปฏิบัติหน้าที่มั่นปฏิบัติหน้าที่ต่อ a l l a ในสิ่งที่ Allah ใช้ในสิ่งที่เป็นคําสั่งสอนดํารงไว้เมือที่ล l l a h บอกว่าอัติมุสซาละดํารงไว้ซึ่งการละมาไม่ใช่จงละหมาดนะดํารงซึ่งการละหมาดดำรงไว้ เส้นหน้าที่ต่างๆที่เอามาใช้ใช้ทำอะไรใช้ละมาใช้อะกาศใช้ถือที่นวดใช้เรียนรู้ใช้อัานคุร์านให้ยิกรุ่ลองใช้พูดความจริงประกาศจัดทำไปแว่อิสลามให้มีครอบครัวให้ดูแลครอบครัวทั้งหมดเนี่ยทำหน้าที่ด้วยดี ขอบคุณต่อเนื้อมาที่ Allah ให้กัเราในฐานะที่ Allah ให้เราเป็นผู้ศรัทธา Allah ให้เราได้มีอิสลามหน้าที่ที่จะขอบคุณเนืมาขออัลลอฮ์นะว่าตอนตรงนี้เนี่ยให้ปฏิบัติหน้าที่ด้ดียาอายุหฮัลละดีนะไปหลังที่ Allah ได้บอกว่า Allah เลือกอิสลามพอเมื่อไหร่อิสลามเป็นศาสนาของเรานี่เราก็ต้องัมดูอยิ่งใหญ่ที่หจะขอบคุณยังไงเนี่ยนี่ยาอยฮัลลดีน กูนก้าวมีในลิ้นล ย, น, ย, น, ย, น, ยนักวิเคราะห์ภาษาบอกว่าคนจะมีความพร้อมทาหน้าที่ในกิจกรรมต่างๆเส้นเป็นกิจเป็นกิจกรรมที่จะต้องมี การลุยมีปกป้องมีต่อสู้คนที่จะพร้อมมากที่สุดคนยนืนหรือคนนั่งต้องคนงยนืนแต่แบบเนี้ยก็คือบัญญายถ่าบัญญายถ้ายืนฟังนี่ยืนฟังนี่มันจะไม่สะดวกมันจะไม่มีสมาธิใช่เขาก็นั่งแต่ที่จริงเนียไม่ใช่ ยืนเนี่ยมันจะให้มีความพร้อมมากกว่านั่นแต่อัลลอฮ์ไม่ให้ศาสนาไม่ให้เรารับฟังคำพูดคนอื่นขณะยืนนอกจากคำพูดของอัลลอฮ์สุบฮานะฮุตาลัตถึงแค่นั้นคุณอ่านจะฟังคุณอ่านยืนในท่ายืนเนี่ยดีที่สุดดีที่สุด ไอ้คุณอ่านไม่ให้อ่านในท่ารูคั่ะท่ารูคั่ท่าสุญูดท่านั่งให้อ่านคุณอ่านไม่ในละหมาดให้อ่านไหมไม่อ่านไม่อ่านอ่านแล้วดีไหมอือบาปไม่ได้บุญคุราน่ะใช่โยกเว้นจะเป็นส่วนหนึ่งของดุอา ถ้าเป็นในสุญูดเนี่ยให้ดูอาแต่ถ้าประเอนละอานีมันมีในคุรานไม่เป็นไรขอไม่ได้อ่านในฐานะเป็นุรานอ่านในฐานะเป็นดูอารบเนาอตินทีดุนยาฮนวอัลกิราที่ฮัสนัตัว่าินะนีเป็นดอาแล้วเป็นอายะในุรานอ่านในสุญูดได้ไหมไดแต่ในสุญูดนี่อ่านดาัลลอฮอัได้ไม่ได้ แสดงว่าอัลลอฮเลือกให้เราอ่านพุอรอ่านแล้วการสะดับฟังพุอรอ่านในท่าที่ดีที่สุดคือท่ายืนอท่ายืนแต่ถ้าฟังตัศซียยืนนั้น ม, มีใครมาละม <c oughs> ชั่วเิเขาก็ไม่ไม่เปิดให้บรรยายแบบคนมายืนแน่นอนแต่ดูสิเวลาเราเราพูดถึงคนที่มีความพร้อม ที่จะต่อสู้ดื่งดนเราบอกว่ายืนหยัดไม่ใช่นั่งหยัดนะมันต้องยืนหยัดหยัดนี่ไม่รู้อะไรผมไม่รู้แต่มันต้อยืน <c oughs> นี่มีนั่งหยัดนอนหยัดนี่ไม่มีเออที่เงเหมือนกันเอวามีนะือว่ากายดีนะเอวามีนะแต่ถามว่าปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีเนี่ยหมายถึงว่า เนี่ยเรากะลังฟังตือีอดูปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีต้องยืนไะมมาต้องนั่งต้องนั่งต้องนั่งแนละยืนยืนนี่แหละแต่แล้วสำว่ากัมวินะี่มันเป็นนา ม, มาทรงมีนยักแห่งความพร้อมความพร้อม ความตั้งใจที่จะต่อสู้เพื่อปฏิบัติต่อสู้ต่ออุปสรรคอุปสรรคที่จะขัดขวางแม้เราปฏิบัติหน้าที่เที่ a l l สุภา b ว a n a h u w า t ใช้ให้เรา Allah บอกะพูดถายาไ อ, อยุอลไีนะมานคูกุลกวามินะจงให้มีความมีสถานะความพร้อมเพียงกวามินมันสะกิดให้เราเข้าใจอะไรบ้าง สำหรับผมนะอาย่านี้เป็นอายาที่มีส่วนในการเปลี่นแปลงชีวิตสําคัญมากคนคนเราอาร่านพุทอ่านจะประทับใจหรือจะชอบอายาบางอายาูุระบางสุระจริงนะบางคนบาคนชอบสุระเยซีนชอบสุระตอฮ า, าสุระกอบางคนชอบสุระร่มาน ื andra, ่องคนนี้เหมือนจริงนะแตกอนหนูจาได้ขึ้นละมารถ้าเป็นอิหมามันจะมีคนนึ่งเช็ดก๊อกมองสู้แบบประมาณนันมันก็เป็นทีมาเลื่ยทีมานะกก่อนจะขึ้นเป็นละมานี่ก็อีกคนหนึ่งเช็ดก๊อกในก็กอความช่นี้มันก็เกิดสมัยท่านนบีเนี่ยที่ซาฮาบางคนหนึ่ง นํามเล่ามาการจะอ่านสุราตุนหวหล่ออาฮัดเนี่ยคุณคนก็อ่านเลยว้าอพิชานิสวนนราแรกทีอ่านเสียงดังเลยนะกาจะอ่านสุรานี้แล้วก็ตามไปด้วยคุณหัวอีกแล้วก็อ่านหนอ่านุแล้วก็ตามไปด้วยคุณหวฮาบากะมูดีทาไมอะมีแสดงว่าเขามองไม่เหมือนกันเนี่ยไปฟ้องนบีเลย ไปฟ้องนบีนบีก็เรียกมานาบียังไม่ได้ทอะไเรียกมาเหตมากของนบีเีย่อพึ่งสรุปเยืเ่อพิ่งเสร็จที่มันคุยกันคุยกันไมเพาะเป็นสุรขของอัลลอฮฺแทนของอัลลอฮ์แล้วเขาจะชอบสุรานี้นบีสอนเขาไหมาไม่ไดีสอนนบีสอนเขาไหมาให้ชอบสุรานี้ไม่ได้สอน นมีสอนเขาว่าให้ hey, เอาโซรานี่มาอ่านทุกทุกระยการไม่ได้สอนแต่เมื่อเขาบอกแล้วเหตุผลนบีก็ยืนยันแล้วบอกว่าขอบอกว่าอัลลอฮ์รักท่านเช่นที่ท่านรักโซรานี่นี่ไฟเขียวเลยนะครับเพราะแต่หากว่าห้ามไม่ใครชอบ สุรอมากกว่าสุรอื่นนะนะมันต้องมีบทชัดเจนแต่นี่มีตัวอย่างให้เห็นแล้วนบีไม่ตำหนิเพราะนมีไม่ได้สร้างในช่วงสุรุลอดเป็นพิเศษคนนิสชอบอัลฟาที่ฮะสุรัตอัลฟาทีฮะ แสดงว่าอายะวันอายะนีอาจจะมีอิทธิพลอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงคนก็ได้ดูผมจะยึดมือถือของทุกคนเลยไงที่เข้ามานีินมือถือมาฟังนตรีหรือมาเล่นเ c e บ o ๊กกันอือ ถ้าจะเล่นเฟซบุ๊กก็ไปเล่นเฟซบุ๊กข้างนอกเช่นพอสูงจะโทรไปหาใครนี่ผมเองก็เก็บนะวิธีผมก็เก็บผมไม่ดู อ่านนี่นะละสุบฮะนะอวดตาละให้ให้พวกเรานี่ยถือว่าพุทอ่านนีบเป็นสําคัญในชีวิตถ้พี่น้องอ่านพุทอ่านแล้วก็ให้มสุร้อนหนึ่งอายะหนึ่งเนี่ยมีมีครอบความอะไรเป็นพิเศในเวลามีวิกิดเนี่ยเราก็จะอ่านอายะนี้อ่านสุร้อนี้แล้วรู้สึกสบายใจไม่ผิดตอนก่อนนัผมตอนวัยรุ่นนี่ยนะเวลารู้สึกเครียดหรือรู้สึกมีปัญหาเลยจะอ่านสุตข้อ สึขสบายใจไม่ผิดมีพี่น้องบางคนเนี่ยจะกลัวเกิดในสังคมให้ความสำรวมกับสุรยาซีนอะไรอไรก็ยาซีนไม่ผิดอีกถ้าเกิดความชอบใจเนี่ยชอ บ, ชอบในสรุรชื้อในเนื้อหาไม่ผิดผิดก็หากว่าไปรุตไปไปอ้างว่ามันเป็นความมีความพิเศษในศาสนาไม่ใช่แต่้เกิดความชอบจากตัวเราเองนั้นไม่ผิด สภาวะทันมีก็ไม่ตํางแต่ถ้าบอกยาซีนิสาหความิไม่ได้ไม่ได้แต่ถ้คนคนก่อนเสียชีวิตจะอ่านยาซีนนะครับได้ถึงแม้ว่าหดี้อิกรายาซีน علامو تغضي แ่านไม่ได้แต่จะจ่จ ي ย่าอ่านอย่าเชื่อเพราะรู้สึกว่าไม่รู้สึกเชื่อว่ามีคำสั่งสอนมีความพิเศษด้านศาสนาอันนี้ไม่ผิดแต่ถ้าสมมติว่าอ่านรู้สึกว่าอันนี้มีรัศมีมีข้อเตือนสติที่ดีรู้สึกเส้นนรงตงต่ออันนี้ไม่ผิดซีอัลอัลกัลไลอัลกัลหมดคำลึกุบฮานะตลยมชายามยน اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خ ل ق ك فمنك وحدك لا شريك لك و ل معلك بوضاع قاعد ا ع د كاب. คน ا ل ش ي ع و ض ع ي نك ا ع د ط ي ب يشيع من ب ي حديث كأنه خلاص.لذلك ب ا ن ا م ر ا ء ل ل ي ا ل م ا روابط ق م ب د م ل ك يام ش ا و يام ين แต่เขามันได้บอ a ว่าเนี่ยบุรุษเหล็กท i ่ e าจากนบีท่านมัที่รงานที่บอกว่าอันนีไม่จากผิดไหมผิดบ ผิดก mm. ็เราหยุดต้องมาซูรัดอย่างเดียวอะไรกเรเอาต้องมาซูรอย่างเดียวแต่ว่าเาจาลกนก็จกมาซูรต้องเอามซูรัดอย่างเดียอื่นไม่เอาจะผิดอาจารย์เราใช้ใช่ว่าพอเขรวบรวมมาเรก็เราก็สนิทสนมแล้วกับผิดไหมไม่ผิดคนยังนึก เวลาเราคิดถึงเราสหวาตยามเช้ายาำเย็นนี่เขามีปัญหาส่วนตัวปัญหาส่วนตัวของเขานีิเวลาออกเดินไปในท้องถนนนี่ก็จะกลัวฟิดหนา้าฟิดหน้าเรื่องมองผูยย้หญิงเรื่องฟิดหนหาเนี่ยเขาก็อาศัยช่วงเช้ากับช่วงเย็นนั่นบ่นเล่นีย่างนี้โอล a l l a ได้ปโปรดช่วยเหลือให้ฉันพ้นจากฟิดหน้ามองผูยย้หญิงคดก่าวตลอดเลย ช้าเย็นช้าเย็นผิดไหมผิด <c oughs> ปัญหาส่วนตัวที่ไปอ่าเฮ้ยไม่มีหะดีเราต้องตามกิตาบุรุษเราสุดหนนะ้าหุบปากเป็นไม่เรื่อหุบปากไม่ต้องพูดไม่เรื่องสาสนาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กดดันให้เราอยู่อยู่ในกรอบอยู่ในสเปกเดียวที่มันแข็งนั่นไม่ใช่ ยี่ปุ่นแม้กระทั่งในเรื่องไอวาเดะที่ไม่มีกําหนดการชัดเจนตมาเตียมุลเลนต้อง11ไหมไม่ต้องไม่ต้อง11เขาจะหาว่าต้อง11นี่นะแสดงว่าสหภาพนี่เป็นคนดีไม่เข้าใจศาสนะเลยและเป็นคนที่ฝาฝืนดานนบีสุลตานามากที่สุดเห็นนบีไม่เคยเกิน11นันไม่ละมาดี11ทาได้ไงอ่ะ ทำเพราะเขาเนี่ยฉลาดที่สุดแล้วเข้าใจศาสนามากที่สุดลแล้วแล้วเขาบอกว่ายืดยุนเล่นจํานวนละหมาดเขาบอกว่ายึดยุนนบีละหมาดสิบเอ็ดแต่อนุโลมให้ละหมาดมากมากว่ส า, าสิบเอ็ดทำไมอ่ะละหมาดสิบเอ็ดเหมือนนบีนะสหามันเขาซื่อ ส, ส, สัตว์เขาซื่อตรงเขารายงานหาดิสนบีของที่นี่อินช่านี่นบีละหมาดสิบเอ็ดเตียยาวนานมากเขาเอาหาดิสทั้งหมด ถ้าละมาเหมือนในบีสิบเอ็ดนีน่งไม่ไหาไมในบีสิบเอ็ดเล่กเราแบ่งได้ไหมแบ่งมันจะได้พอนั่งบ้างพอสุยุดมันก็จะได้ฮะผ่ อ, อนคลายบ้างแ้วก็แบ่งไอ้ิเ็เนีน่ยความยาวนานนี่ของนบีแล้วมาแบ่งเป็นบีสิบเอ็ดยึอยู่นีรั่องะไรบ้างนี่แลหาาและไม่มีที่ไม่มีกำหนดการชัดเจน มันนคุณอ่านเขียนบอกให้เราบางคนก็จะมีความชอบนี่อยะบางอญญายะสุระบางสุรอญญายะนี้ผมผมปรารถกับพี่น้องวันนี้เป็นอญญายะที่มีความสําคัญมากสําหรับคนที่ทํางานศาสนาคนที่ทํางานส่วนผมอันมาก ครั้ที่มีวิกฤตเนี่ยนึกถึงอายาดีซึ่อายาดีจะมีความคล้ายความเหมือนกับอายาอีอายาหนึ่งสุดอันมิซะผ่านไปแล้วเคียกันแต่เราบอกว่าอย่าอายุฮะแล้วท่อาเมูรความีนับเป็นกิฟต์สุรหดาลิละฮ์ศลักตําหน่ง อันนี้คูนกาวมินะลิลลาฮปฏิบัติปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีต่ออัลลอฮ์และเป็นพยานด้วยความเที่ยงธรรมอันนู้นนะยะออฮะแลดีนะมันคููกาวมินะบิลกุสติจงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมชูฮัดะอลิลลาฮและเป็นพยานต่ออัลลอ์ ทำไมอะ่ะเอาเว่าทำไมอายานู้สุรอันมิสะอลัลลอฮในพูดถึงเหตุการณ์จำได้ั้มที่ว่าเหตุการณ์ที่พวกมูนาฟิกไปขโมยของเชาบ้านแล้วก็มีคนเห็น ก็ไปบอกกัานนาบีนบีก็เรียกพวกมุนาฟิกนี่มาพอพวกมุนาฟิกนี่รู้ว่าจะถูกสอบสวนพวาก็เอาของขโมยเนี่ยไปโยนบ้านคนอื่นแต่พอนบีเรียกไปเราไม่ได้ขโมยคนที่ขโมยนี่คนอื่นบ้านอื่นนี่ไม่ยช่พวกเราพอไปสิบแล้วเนี่ยเจอของอีูบ้านอื่นนบีก็เลยตําหนิชคนที่ถูกขโมยนี่ว่ามา ปัดตำมาเก่าวหามาใส่ร้ายคนมุนาฟิกมีขนาดเรื่องนี้เรื่องละเอียดออนแบบนี้ที่อาจจะมีอาจจะมีโอกาสหรือเปอร์เซ็นในการพ่ายเละอัลลอฮฺสั่งโนะตะละบะกะเดนนบีวะลาตะกุลิลข้อินินคัสีมาเจ้าอย่อย่ายาไปฟักไฟ ผู้ธุรยุทธอย่าไปต้เถียงแทนคนที่กระทาชั่วคือไปปกป้องมุนาฟิกีนที่ขโมยจริงนะ่นะต่อหน้ามุสลิมที่เข้ามาาาวนนิกลบีต ทำนองของสุราหรือตะนนั้นนะพูดถึงเรื่องการตัดสินการเป็นผู้ทีิพากษาการที่ต้องมีความเป็นธรรมจึงควรเอาเรื่องความเป็นธรรมเนี่ยมาเป็นประเด็นโกโนกาวะมินาบิลกุสจงดำรงจงปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมร้อยเให้เต็มที่สังสุระอันนี้ตะตรงนี้ อัลลอฮฺพูดบผู้ศึกษาถึงนเนื้ออำนาจยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮฺให้กับเราและหน้าที่ของเราที่จะต้องขอบคุณเ น, นี้ออำกาจขออัลลอฮฺสุลตานอวตารจึงมีความสําคัญที่จะให้ประเด็นสําคัญนี้คือมองผู้ที่มีพระบุญคุณกับเราคืออัลลอฮฺกูนูกะวามีนะลิมแลงจงปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีเพื่ออัลลอฮฺ อธิ e n าน h ่าทำไม a าย a นุนมาเป็น i ุส i ิ l i งนี้ลิลลัยทำไมเพนนินแต่ทำไจะเป็นจะเป็นเนื้อหาที่จะกิดใจมุสลิมทุกคนที่ทงานศาสนา ยืนทุกสถานการณ์พูดทุกที่ยืนเพื่อเพื่อใครเพื่ออะไรวิเคราะห์ประเด็นพูดอะไรทำอะไรทำเพื่อใครยืนแล้วหรือเปล่าอืม อันนี้เนยที่จะทำให้ทุกคนจะต้องทบทวนและเป็นอายะที่ควรที่จะเป็นบททบทวนทบทวนท่าทีจุดยืนของเราอย่างสมบูรสมุูรรูปที่ร้ายแรกที่สุดไม่ใช่รูปที่มันทำให้เราเจ็บปวดมากที่สุดแต่สามารถรักษาได้ บางคนเนี่ยโดนดาบฟันหนี่ตั้งแต่แขนยังขาพาดอย่าง้หนึ่งฟุ๊กพาดเจ็บมึมจะรักษาได้ไหมรักษาได้พอไปโรงพยาบาลกเยียบเๆียบเียบเียเีย บ, ยบกินกินยานอนเตียงสักกี่สี่วันหายเลยนะหายเลยแต่โรคบางชนิดเนี่ย รังการมีไม่โดนตัดไม่โดนผ่าไม่โดนอะไรเลยนะจะมีไวรสที่มันลึกลับวรัอะไรกกํลังมีมีมะเร็งที่กาลังกํลังกินกํลังกลังเตโตทีละนิดทีละหน่อยโดยไม่รู้ตัวไปเอซ์เรก็ไม่เห็นหมอตรวจหมอจับนู่นจับนี่มไม่เห็นไม่เจอ อมาเจอเมออื่อไรถึงขั้นสุดท้ายแล้วก่อนอันนันแล้วเนี่ยโรคนี้อันตรายจีสุดถึงแม้ว่าอยู่ประมาณสามสิบสีสปีนี้ไม่เจ็บเลยอยนะคนนี้เป็นมะเร็งเนี่ยจะมาเจ็บก่อนตายสองสามเดือนสี่เดือนพอไปหาหมอเนี่หมอบอกว่าหกเดือนเต็มตัวเลยหกเดือนส่วนมากก็จะเจ็บช่วงไข้ของชีวิตเพราะโรคนี้อันตรายนะ ชเชช่นที่สรีระของเรามีรูปอันตรายรุนแรงที่มันทำลายศั ก, กยภาพของสรีระเนี่ยไม่ทำงานอย่างสมบูรณ์จิตใจดวงวิญญาณรูปของเราเนี่มันก็มีรูปมีเชื้อรูปมีเวรที่มองไม่เห็น แล้วบางทีนี้มันคลานมันมันมาคุกคามจิตใจของเราหัวใจของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเขาบอกว่าทำไมมะเร็งมันสามารถมันสามารถหลอกโครงสร้างโครงสร้างการป้องกันในร่างกายของเราได้เขาบอกว่ามันเปลี่ยน โครงสร้างเซลล์ของมันทำให้เม็ดเลือดขาวแล้วก็ทหารอื่นๆที่อยู่ในร่างกายเนี่ยไม่รู้ว่านี่ตัวมะเร็งมันก็เข้าไปเกาะไปเกาะในอวัยวะต่างๆ แ, แล้วก็หลอกหลอกทหารในร่างกายของเราเนี่ยแต่นันเป็นเพื่อนกันนะเป็นเพื่อนกันเปินเพื่อนเลือดเม็ดขาวที่มีหน้าที่จับไอไวรัสเชื้อโรคตัวใดๆเนี่ยนะ เออเลือดมันขอนอนๆเออเจอมะเร็งไมาเลื่อนกันนะใช่ใช่ไ ม, ไม่ไม่จัดการนี่มะเร็งมีไวรัสแห่งหัวใจแห่งจิตวิญญาณแห่งความศรัทธาแห่งความศรัทธาเราไม่รู้สึกตัวถ้าไม่รททู้ตัวนั่นนะมันก็จะไปนี่เรื่อย พวกเราทางานดาว่าทำงานศาสนานี่จะโดนไวรัสนี่เยอะอยู่อยู่ในมหาลัยอย่างเงี้ยมหาลัยมีไวรัสเยอะมรี่เป็นตัวนะที่เป็นตัวนี่เยอะตัวนุ่งกระโปงสั้นหนึ่งนี่เป็นตัวมีไวรัสตัวใหญ่แล้ก็เองนี่เราก็เจอตัวหนึ่ง ใจชอบชอบชอบแบบนี้ชอบแบบนี้แต่มันจะชอบยดงไงเต่งเก่งสั้นอย่างนี้กระโปรงสั่นผู้ศรัทธาอิสลามก็ ม, กมีดสอนแบบนี้แต่นี่มันชอบนะชอบทำยังไงดีให้สิ่งที่มันไม่ถูกต้องนี่นะมีความชอบทำไม่ใช่ความชอบใจ มันมีความชอบใจอยู่แล้วแต่ความชอบใจนี่มันมีความชอบทำจะทำยังไงมันชอบทำถ้าหากว่าเจอผู้หญิงนุ่งกระปองสั้นอย่างนี้นแล้วก็ไปคุยนั่งคุยกกกิงสงสก ก, กิ๊กกิ๊กกิ๊กกเ๊กกิ๊กกิ๊กกิ๊กกิ๊กกิ๊กกิกกิ๊กกิ๊กกิ๊กกิ๊กกิ๊กกิ๊กกิ๊กกิ๊กกิ๊กกิ๊กกิ๊กกิ๊กกิ๊กกิ๊กก ถ้าไปเกิดเจ๊ะเ จ, จ๊ะชั่วันนั้นคือมีพี่น้องมาถามนี่ทํทำอะไรกันมันฮึผมผมไปดาวว่าความชอบใจกลายเป็นสิ่งที่มีความชอบทำนี่มีใครในโลกนี้เนี่ยสามารถมาใส่ร้ายมาปําเราว่าเราเร า, เ, ราเจตนาไม่ดีไอ้เือหัวใจอาจจะดาวริงเพราะถามว่าเป็นไปได้ไหมทิ้งอาจจะต้องดาว่าจะเป็นไปได้ มาอะไรไม่มีมุสลิมมาเลยสมมุติว่าไม่มีมุสลิมมาเลยที่จะทำหน้าที่ดาวาผู้หญิงแล้วบัเอิะว่าผู้หญิงนี่ามาเองมาถามมั้ยมีโอกาสที่จะดาว่ามั้ยมีโอกาสที่จะดาว่ามแต่อย่างที่รู้กันนะว่าคนลุกคนเนี่ยเขาสามารถเขาสามารถนังไงทำหน้าที่ตลอดด้วยดี ถาที่บอกว่าด้วยดีเขามาเป็นโอกาสที่ดาว่าเขาไหมเป็นโอกาสแต่ว่าผมว่าชีวิตไม่มีคนด่าดาวว่าสครับแต่ดาว่านี่ดาว่าวนี่ต้องต้องสแกนนะ่ะเขาจะสแกนนะพอจะดาว่าคนนี้มองมองจนรู้หมดเลยใส่สร้อยอะไรแส้รู้หมดเลยต้องสแกนนะ่ะ 但我们นะั้นงมองหน้าก็ได้ใครก็รู้ว่าเราสุดจริตชาวพุทธชาววิญญาสุดจริตไม่มีหมอ ง, ไ ม, มมองไม่มีอะไรแฝงแต่ว่าสิมันจะดูประหลาดไหมชาวพุทธช่วิญญาณก็จะวิแล้วไม่ห ม, มองใช่เพราะมุสลิมผู้สถานี่ประหลาดตลอดนะมีนี่นะค ะ, เ ร, ะเราจะเราจะแสวงหาความพอใจของคนในโลกนี้ เขาคุยกับผู้หญิงแล้วไม่มองเขาแล้วให้เกียจเขาให้เกียจเขามันจะเป็นเอกลักษณ์ของมุสลิมในเวลาพูดกับผู้หญิงที่ไม่ใช่มักรอ ม, มานโดยที่ไม่มองหน่ะมองก็จะมีความจําเป็นนะอะมองก็มีความจําเป็นไม่จําเป็นเนี่ยจาเป็นไม่จําเป็นใครจะรู้ละ่ะนอกจากว่าเราเองเนี่ยเป็นกวาบีนะลิลปฏิบัติหน้าที่ด้วยดี ดีดีพอดาวว่าไปดาวว่ามาไปมาดาวว่าไปกินกาแฟดาวว่ามากบผัดกะเพราไปไปสั่งกมาแล้วก็ทุกครั้งก็ก็จะมีอานเรื่องดาวว่านี่ใช่ไหมมีความชอบธรรมไม่มีความชอบธรรมอะไรที่มันแฝงอยู่ข้างในไม่มีใครจะรู้นอกจากลูกพานธุ์เราถ้าบูชาตาวเป็นพวกตวัวาม่นนริลล์ ไม่ดีเพื่อ Allah เพื่ออ l l ม h ทนี้เพื่อ Allah, อัล a h หรือเจ้าเราทีดาว่าเขาเนี่ยต้องการให้เขารับที่ใดจริงหรือเราต้องการความสุขความชอบใจทุกสิ่งุยางในะชีวิตของเราก็เป็นอย่างนี้นะ <c oughs> อะไรที่ Allah อนุนโลมให้เราทําอนุนโลม ตอก่อนนูน้นเวลาเขาจะผ่าตัดผ่าใหญ่นะ่ะตอก่อนนู้นไม่มียาชาเขาจะให้กินเหล้ากินเหล้าจนเ ม, มาไปเลยไม่รู้สึกตัวเลยแล้วก็ผ่าจะตัดมือตัดขาอะไรอย่างเงี้ยที่คนนี้จะกินเหล้า ก, กินเหล้าตอก่อน เขาไม่ปล่อยให้ล่ลาตามอำเภอใจนีหมอนี่จะดูนี่เพราะมันมีตัวรอดนมีความจำเป็นเหมือนปัจจุบันฝี น, นี้เป็นยาเสพติดแต่เดี๋ยวนี้คนนี้เป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายมีความเจ็บปวดมหาศาลนี่เขาจะฉีดฝีเลยคือะจะได้ไม่รู้สึกปวดแต่ถ้าหากว่าเรามีความจาเป็นอย่างนี้แล้ว กำลังดื่มเหล้าด้วยความเกลียดชังว่ามันเป็นสิ่งหรอมแต่ทำเพราะมีความจำเป็นไม่เหมือนคนที่มีความจำเป็นนี่ต้องตัดมือหมอบอกว่าต้องดื่มเหล้ามันเหมือนเป็นยาชาแต่ขณะที่ดื่มเหล้าเราะจะผ่าตัดนะ ดื่มไปอร่อยไปไม่ต่างอะไรกันเลยนะคนนี้ดื่มจะได้ป่าแั่คนนี้ดื่มกำลังผ่าตัดแต่คนนี้ดื่มด้วยความเกลียดามันเสิ่งคารมแต่มีความจำเป็นคนนี้ดื่มเฮอร่อยวะ่ะแล้วเป็นโอกาสด้วยไม่ดื่มมานานแล้วต่างกันอย่างสิ้นเชิมเลยนะคนนี้รับรุกซ้อจากอัลลอฮฺด้วย ด้วยความความลำบากใจว่าไม่อยากทำอ่ะแต่คนนี้โอ้โหสบาแบบนี้สบา <c oughs> การทำงานศาสนาของเราจริงต้องเฝ้าระวังไม่เพียงพอนะครับที่จะตวัวมี น, นอะไรหที่จะยืนเยียบทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเราต้ทาใมันต้องมีบรรทัดฐาน บันดานมนุษฐานนั่นคืออะไรอั ล, ตสตอลิสโตอลิสโตเป็นพยานด้วยความเที่ยงธรรมอลิสโตอลิส ต, ตส์คืออะไรกลิสตนี่ความถูกต้องที่มนุษย์ทุกคนมีเครื่องชั้น ในจิตใจของตัวเองที่สามารถที่สูดน์ได้ว่ามันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องมีทุกมีทุกคนไม่ใช่เฉพาะผูรู้ไม่ใช่เฉพาะคนที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาการด้านศาสนทุกคนจะมีจุดนี้ผูรู้ในวิชาการศาสนามีความเชี่ยวชาญด้านบทบัญญัติจะมีความรู้มากกว่ามีความละเอียดอ่อนมากกว่า ในเรื่องปีก ย, ย่อยแต่ในเรื่องหลักๆทั่วๆไปนะมนุษยชาติทุกคนนี่จะมีเรื่องนี้อัลกิสกุรอานจะมาสอนจะมาเสริมให้เรามีความเข้นค้นมีความใกล้ชิดมีความละเอียดอ่อนมีความหนักแน่น ม, มีความปราณีตในความชอบธรรมในความเที่ยงธรร เสียงระหว่างอันศุนย์วัดจมรับกับมโมติเล่กับปัญหาโมติเล่บอกว่าสิ่งดีกับสิ่งไม่ดีเนี่ยคือสิ่งฮาลาลกับสิ่งฮารอมไม่ต้องมีบทบัญญัติเรารู้ว่ามีสิ่งดีเท่ากับมีบทบัญญัติว่าอันนี้เป็นสิ่งดีละเป็นฮาลาลสิ่งอันี้ไม่ดีไม่ต้องมีบทบัญญัติมันฮารอมอยู่เพราะมันไม่ดี อาชาระารมกโตเีย um ัมดเล่อาชะไม่มันจะดีไม่ดีเนี่ยตอเมื่อศาสนาบอกว่าดีไม่ดีสิงอ่ะสิ่งนั้นนั้น่ะไม่มีสัญลักษณ์ในตัวว่ามันดีหรือไม่ดีในตัวยังไม่มีสัญลักษณ์ว่ามันจะดีหรือไม่ดีหมันจะดีหรือไม่ตอเมื่อศาสนาบอกว่ามันดีหรือไม่ดียกตัวอย่าง เล่ามาติสิเลบอกว่าถ้าไม่มีบทบัญญัตนะแค่พิสูจน์ว่มันไม่ดีก็ถือว่าฮ ARAM แล้วและไม่ต้องการบทบัญญัตอันนี้ก็ได้ตัดสีบทตะเบียะละอัคกลียะใช้ปัญญาแต่เมื่อพิสูจน์ว่มันดีฮะลาลไม่ดีฮ ARAM ถึงแม้ว่ามีบทบัญอรบอกว่าไม่ได้นีนะถ้าไม่มีบทบญญาไม่บญ วมันดีหรือไม่ดีเราก็ไม่พูดว่ามันดีหรือไม่ดีเราไม่รู้ีิมามอูบดัยมีเขาว่าที่จริงอัลสลัฟุซอาลิกในดัชนียุบสฮาบะเชื่อว่าสรรพสิ่งต่างๆในโลกนี้มันมีเสน่ห์ลักในตัวว่ามันดีหรือไม่ดีศาสนาจะมายืนยัน บางทีศาสนาไมายืนยันในสิ่งที่ดีวา่าฮาลลสิ่งที่ไม่ดีว่ามันผ่อนแต่บางทีศาสนา ก, ก็ไม่ยืนยันในว่าสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยอาจจะมีข้ออนุโลมเช่นสัตว์ตายก็มีความจําเป็นกินได้เป็นข้ออนุโลมที่ศาสนามายกเว้นให้ถ้าไม่มีศาสนามายกเว้นแล้วเราจะรู้ยังไงแต่ในตัวสิ่งเหล่านั้นะมันมีหลักฐานมันมีสัญญาณมันมีลักษณะ เอามัจากนเนี่ยเขาบอกวเอามาจอัลลอฮฺซุบฮานะวะซับอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลละเป็นนบีที่เราประทานลงมาเพื่อพมนาทียุฮิลลุลุมอุตตัยบัดวยุฮรรมอัลัยมุลขับนบีเนี่ยจะให้ั ว่าส <c oughs> ิ่งที่ดีนี่นะมันฮัลลาลข้อละมากรบอก็แสดงว่าดีเนี่ยมันดีแต่เดิมและนบีมาให้มันยัว่ามันฮัลาลเพราะถ้าหากว่ามันไม่ดีมันก็สามารถบอกได้ว่าอยู่พิลเลห์มุตตัยบาตุลขบาอิสสิ่งที่มันเป็นตัยบแาตุลขบาอิสคือไม่ดีเนี่ยมันอาจจะเป็นฮัลลาลก็ได้ถ้าอัลลอฮ์ประสงค์ ที่จริงมันก็จริงอะนะทารับประสงค์ให้สิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยมันฮาลาลก็อยู่ที่บมาทรงอัลลอฮฺสุบฮานาอฺแหละแต่ศา ส, สนาไม่ไห้ตักกะของบทบัญญัติเนี่ยเป็นเช่นนั้นศาสนาจะมายืนยันในความถูกต้องของสิ่งที่ดีในความไม่ถูกต้องของสิ่งที่ไม่ดีที่มนุษย์มีภูมิความรู้มีฐานความรู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นในโลกนี้ทั้งหมดเลย ในโลกนี้ทั้งหมดเลยไม่มีใครบอกว่าคนที่กินเหล้าคนที่มืนเมาเขากำลังทำความดีมมทุกศาสนาทุกลทัที่ทุกความทุกความคิดเพราะอะไรเพาสิ่งชั่วรายนี่มันมนอยู่ในตัวนี่มันมีเสนียลักอยู่ในตัวว่ามันเป็นสิ่งที่ชั่วร้าย <c oughs> เอา สุฮาดออบิลติสเป็นพยานด้วยความเที่ยงธรรมคือความเที่ยงธรรมที่มีส่วนที่เป็นฐานเป็นพิตระธรรมชาติที่อัลลอฮ์สร้างไว้ไม่สามารบอกว่าเป็นพยานด้วยความเที่ยงธรรมเที่ยงธรรมนี่เรืองุรานอย่างเดียวไม่ใช่ เขาถามว่าคนนี้ยังไม่มีคุณอ่านเป็นผู้ปฏิสัทธาเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาและอยากจะรู้ความจริงอยากจะรู้ศีลจรรมเขาจะเอาคุาณอ่านมาใช่หรอือ หลายคนนี้ไม่ได้เป็นมุสลิมแต่อยากจะรับอิสลามกําลังศึกษาอิสลามแต่เขาไม่ได้ใช้คุรานเพราะถ้าห า, ากว่ า, เ, มม า, าวเขาเชื่อในคุรานจะถือว่าเป็นมุสลิมอะไม่ต้องศึกษาแล้วถ้าเขาเชื่อในคุรานแล้วอะก็เป็นมุสลิมแต่นี่เขายังไม่เชื่อคุรันก็ยังไม่เชื่อแล้วก็อยากจะศึกษาเรื่องวยอิสลามนี่มีความจริงเขาจะใช้อะไรใช้ความพิงธรรมฐานความรู้ที่เป็นธรรมชาติที่เอาไว้ให้กับทุกคนทุกคนในมี อ l l a าบอกว่า أما ม م و د فهديناهم فاستحبوا العامة มุด ah um. hey, ีของนบีส am ุลต ah ah ่านฮะดีน่าหุม Allah บอกว่าให้ทางนแล้วทางนั้นหมายถาเป็นมุสลิมหรือไม่ทางนั้นหมายถึงว่าฐานความสามารถในการวิเคราะห์พิสูจน์ความจริงและศัจธรรมแต่เขาอิสตฮับุลามาเลือกที่จะเป็นคนตาบอดบอดหัวใจบอด อลยว่ามาถึงบอกว่ามันม man er ีฮหตุใะตูดีล่ละแล้วก็มีฮหตุใดะตูอิริยาบเป็นทางนาแห่งการแนะนำเนี่ยเราให้กับทุกคนให้ทุกคนไมีเห็นทางนําชัดๆที่จะนําเราไปสู่เสด็จธรรมชัดๆเลยถ้าตั้งใจแสวงหาทางนํามานะมันจะมีสิ่งที่จะแนะนำเราดีล่ละ ตามีเหตุใตโดยทางนำทฤษฎีทางนำที่จะบรรลุสัจธรรมนั้นนะอัลลอฮฺอาจจะให้บางคนบางคนต้องศึกษา20ปีบางคนไม่ได้ศึกษา10ปีอีกก็ต้องถามว่าทำไมบางคนศึกษา20ปีกับคนไม่ได้ศึกษาศึกษานิดเดียวก็รับอิสลามแล้ว คนไหนดีกว่าคนไหนดีกว่าคนที่รับ伊ามเร็วช้าคนที่รับ伊斯兰เร็วเขจะละหมาดมากกว่าก็าจะอยายามเขายังไม่ได้เป็นมุสลิมได้บุญมันไม่มันไม่ตายตัวมันไม่ธรอมดา อัลลอฮ์เห ah. <laughs> an, ็นว <laughs> e ่าคนคนนี้ถ้าศึกษานานนานอาจจะขวีอัลลอฮ์ก็ปลดปรั่งเ้าเนี่ยอิสลามเร็วอัลลอฮ์เปิดใจอย่านานเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าลึกเดี๋ยวไกลๆมาเข้ามาเลยอีกคนหนึ่งอัลลอฮ์บอกว่าถ้าเขารับอิสลามเร็วนะอีกหน่อยึ่งก็จะรีบออก ทำไมอศึกษาไม่ถี่ทุกข์ฉะนั้นศึกษาให้อ่าเราก็จะปล่อยไปศึกษามีโอกาสที่จะรับอิสลามก็ยังไม่รับเขายังมีข้อสงสัยอ้าวไอ้เี้ยวไอ้เคี้ยวไม่ยังให้โอกาสนะยังไม่ยึดวิญญาณเอามาประสงค์ที่จะรับอิสลามสักวันหนึ่งฉะนั้นใครบอกวินองว่าอย่าสินหวังกับคนที่เราเห็นนี่เป็นศัตรูอิสลามย่าสนวังนะ ว่าอาจจะเขาเล่านั้นอาจจะเป็นคนที่อัลลอฮ์จะฮีดายเขาสักวันนึ่งก็ได้แต่นั้นไม่ใช่หมายรวมว่าเราเห็นบัตรชลอสันมีการลังคาวีนักมุสลิมเอย่าไปอย่าไปแรงกัเขาดูว่าอาจจะฮีดาอะไรนไม่ใช่ใครที่ยังแสดงตัวเป็นศัตรูถึงแม้ว่าข้าข andal, งในนี you yourself, ้เขาอยากจะรับอิสลามสักวันหนึ่งอะนะเรามีหน้าที่ปฏิบัติตามไน้อสิ่งที่เขาแสดงออกมา ที่นีในใจรว่าเราอัลล์ไม่เกี่ยววันนงวันดีนี่ถ้าเาประกาศอิสลามสมมว่าเดี๋ยวนี้ ب ละสับอัลลอิล่าห์อิลลัลลอฮ์เขาง้เสียใจไหมเสียใจปะเใจได้เมืนทั้งดีใจทั้งเสียใจ เสียใจมากกว่าหรือดีใจมากกว่าเสียใจมากกว่ า, า, กกวาอืมเสียใจมากกว่าก็ไม่ผิดนะไม่ผิดเพราะอะไรนี่เนี่ยที่เราเรียนรู้เรื่องศาสนาเนี่ยเราก็จะบางทีเรากลัวไม่กล้าตอบคนที่เคยเป็น อันตรายเป็นสิ่งที่ร้ายแรงต่ออิสลามต่อมุสลิมและควรที่จะถูกลงโทษอย่างยังยังสะสมอ่ะแต่เข า, านันไปรับอิสลามจบเลยทำอะไรไม่ได้นะแต่เขาสร้างความเจ็ดใจอือท่านนาบีเองยังยับยั้งไม่ได้เลยความรู้สึกว่าชี อย่าเอาไปตั้งชื่อนะข้อนี้เป็นชื่อสหาบะาคนหนึ่งวัชชีวัชชีเนี่ยเป็นคนที่ฆ่าหันได้น้ำเนือดตลิบวัชชีแปลว่าเตื่นวัชชีเตื่นหรืออะไรสับปาริสับดุอะไรนี้วั ข้าท่านฮัมซะแล้วตอนพ่ชิตมา ก, ก้าเนี่ยรับอิสลามข้าฮัมซะบางรายงานบอกว่าผ่าท้องแล้วก็ควักตับของท่านฮามเจ้เามาเคี่ยวแต่รายงานนี่มันบอยส์รายงานนี่นบอยสแต่ที่ซอยนี้ว่าข้าฮัมซะ เพื่อเป็นเพื่อรับรางวัลปล่อยเป็นอิสระเป็นไทยจากเจ้านายเจ้านายเป็นหินเป็นธุบะข้ารยาอบูสุฟยานที่หลังก็รับอิสลามกันหมดนั่นจักว่าฮามซาเนี่เป็นคนที่ฆ่าญาติพี่น้องกนในสงครามบัลดอร์พอมาสงครามอโคดนี่เห็นบอกว่าชีบอกว่าฆ่าฮามซาได้นี่นะเองเป็นอิสระ ว่าศีก็จ้องแลยพระสงฆ์ข้ามเลจ้องเลยมีหอกเป็นชาบะชาบะชาเนีขึ้นชื่อเพราะเป็นผลนิยมของแมนเพราะการในสงครามนี่ก็ก็โยนหอกนี้มาทลุกใต้สะดือใต้สะดือท่านฮัมซาก็เสียชีวิตฮัมซาเนี่ นลูี่ลูกน้องเอ้ยเป็นอาของนบีแต่กินนมแม่นมคนเดียวกันก็ถือว่าเป็นพี่น้องกันนบีด้านนมด้วย้และนิทสนมกันนบีมากและเป็นคนที่ปกป้องนบีตั้งแต่แรก <c oughs> ท่านนาบีเสียใจมากมากเลยพอมาพิชิตมกก า, ากานีว่าสี่ประกาศอิสลาม ประกาศตอนมิสลัมแต่คนที่ทำลายมิสเกียรมากท so ี่สุดเพราะเป็นคาฟิฟที่ฆ่าลุงที่ฆ่าอาของทนนบีที่รักของท่านนบีการเป็นมุสลิมนบีโดยหน้าที่เนี่ยหน้าที่จงปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีโดยหน้าที่พยายามทำด้วยดีทําอะไรแกแข็งได้ไหมมาสังหารได้ไหมมาทําลายร่างกายเหมือนที่ทําลายร่างกายท่านทําด้ไหมมาจัดการ ป่ะนี่ปฏิบัติหน้าที่โดยดีส่วนความรู้สึกนะบอกว่าชีคอรองอย่าให้ฉันเห็นหน้าแกเลยตับความรู้สึกไม่ได้เนี่ยผิดไหมไม่ผิดครับก็เห็นหน้าดีทุกทีนะเห็นเห็นหน้าว่าชีทุกทีนึงก็นึกถึงทำย่าเศ้าขอขอขออยากให้ฉันเห็นหน้าเกพยายาม วาชีเนี่ยนี่ความสำนึกในบาปในจริงเนี่ยแต่เขาเขารู้ไงว่าพระดับ islam เนีลลล่ยเราต้องรับาบาปจบวาชีก็เรืว่าเขาจะต้องเชดชื่นที่ฆ่าคนที่ช่วยนบีมากที่สุดเขาจะต้องฆ่าคนที่มุ่งทําลายนบีมากที่สุด นู่นต้องรอไปเย็นท่าก็ไปเข้าสงครามทุกสงครามยากนี่แกก็กไปจนมีสงครามอัล am ีมาบะสงครามมุสตัดินคพวรับที่ออกจากศาสนาอิสลามแล้วบอกว่าเราไม่เอาละนบีตาแล้วก็ไม่เอาละอุนำเขานี่ ม, มุูซายลามะอัลกัตซัที่เคยอ้างว่าเป็นนบี <c oughs> นั่นนะ่ะพวกชีก็จัดการเหมือนทำได้เลยปุ๊บ เราก็รู ب ب ้สึกได้ได้มีผลงานมีบทบาทในเรื่องนี้แต่ท่านนบีก็ปรับความรู้สึกไม่ได้ไงนี่ยที่บอกว่าอิบราฮิมบอกกับท่านนบีสุลต่านละวะละยุสัลลัมโอนบีถ้าท่านหญินขาเจ้าขณะที่ฟิร่าวนกำลังจมน้ําอยู่ กำลังจมน้ำอยู่และฉันพยายามให้พี่เราเนี่ยจมน้ำแล้วก็ตายให้เร็วที่สุดเกรงว่าเกรงว่าอาลัลลอฮจะสงสารเขาและเขาจะรับอิสลามเขาจะศรัทธา เขาจะเด็กทามกอ่านหน้าว่าอ่านมันตัวนั่นเขาไม่ใช่ใ่รแต่ที่มิรีบอกว่านี่พยายามแลยพวกเมลัยก้าดีพยายามมันมันตายจะตายเร็วๆพระาก็พิรานี่ออนแล้วก็ขอดูอาต่ออัลล์นี่ อิบร an an e ิษบอกว่าเก่งว่ะด hmm. ้วยความเมตตาของอรรรณาธิการกว้างขวางนะนะเราอาจจะเมตตาทเราเนี่ยโอ้ยแล้วเราเนี่ยเขานี่เขาเกลียดมากเลยไม่เอาเป็นมุสลเฮ้ยงานนี้มีดูได้ในตะสีในกระสีก็มีตรก็มีแต่ในงานซอยเม่ซอยนี้น่าจะซอยนั้นก็เห็นเนอมาหลท่านก็เอามาอ้าง หลักฐานความยิ่งทำที่อัอลลอฮฺสุลฮฺานะให้แก่มนุษย์ทุกคนทุกคนมีเรื่องนี้และเรื่องนี้นะมันมีในใจของทุกคนที่มีความซื่อตรงกับตัวเองแต่ที่มันถูกปกปิดที่มันถูกปิดบงัง ก็เป็นเหตุที่เราได้เห็นผู้ปฏิเสัทธาหรือผู้ปฏิเสธความจริงดื้อดึงขนาดไหนในการปฏิเสธความจริงแต่ลึกๆลึกๆมากของเขานี่นะเขาคงไม่สบายใจในจุดยืนของเขานี่ว่าเขากาลังทําอะไรที่มันไม่ถูกต้องแต่เขากลับไปทบทวนหน้าที่ที่ต้องทาต่ออัลลอฮ์ด้วยดีนะเขาจะสามารถเห็นความจริงที่มันโปะมาเรื่อยๆจนปรากฏตัวอย่างจเจง เรื่องนี้มันจะมีมันจะมีผลเกิดชัดเจนตอนละหมาดละหมาดริกรุ่นล้อทาไมบาไดา้มีบทบาทในการ <c oughs> ทัดเก้าความจริงนะ่ะความจริงที่เราพยายามปกปิดอย่างตัวอย่างคุยกับผู้หญิงสนิทกับผู้หญิงคุยมันมีความชอบใจแต่มีความชอบธรรม เราเอาคำชอบคำนี่มาบางหน้าตามชอบใจแต่ถ้าเราขณะที่กรุงร้อนขณะเรียนรู้เนี่ยตอนนี้คือที่กรุงร้อนมาแจ้ริสุไลน์ขณะละหมาดเนี่ยเราต้อทวนนะเราจะเห็นความจริงมันปรากฏของมันไม่ใช่แล้วนี่มันมันมันมันดื้อกันนีงไม่ใช่อนี้ไม่ใช่แล้วเมื่อไหร่จะเห็น ความเที่ยงธรรมหรือมาตรฐานสัจธรรมความถูกต้องนี้เราไาี่ก่ิบัตมาอย่างขึ้นครับในกรณีที่คนเขาไม่ปฏิบัติกันด้วยเหตุผลต่างๆที่ทำให้เขาเนี่ยไม่ปฏิบัติความถูกต้องเช่นศัตรูศัตรูมาค่มคืน สตรีผู้ศรัทธาเราจะตอบโต้ถ้าคมว่าเที่ยงธรรมทั้งแบบเที่ยงธรรมเลยทำยังไงไปคมขืนสตรีใช่หัหยตาต่อตาเนี่ยเป็นเหตุผลป่ะเหตุผนเที่ยงทรรเขามาคมขืนภรรยาเรา เราจะตอบโต้ไปข่มขืนภรรยาเขาใช่ไหมไม่ด้วะลี้ยจิริมันนกุมชสนอานุโควมในละอัลลาตัติลูบิลูหัวอัครบุลิตตควะจงอย่าให้การเกลียดชังพวกหนึ่งพวกใดทําให้พวกเจ้าไม่ยุติธรรมอีกเพามันเกลียดชังนี่มันเป็นเหตุผลเพียงพอ ที่จะหาข้อขอ้างนานาข้ออ้างที่จะทำอะไรก็ได้เพราะเกียรตมันงเกียรตมันอะทำอะไรก็ได้มัน ม, มีอะไรคุมอารมณ์เกียรตตรงนี้แหละที่จะที่จะรู้ให้เรายินอยากทำหน้าที่ด้วยดีเพื่ออารม์จริงหรือเปล่ า, ท, าทั้งนั้นไมเป็นศัตรูทั้งนี้มันมาทำร้ายเราแต่เรายึดมั่นในความเที่ยงธรรม อย่าให้การเกลียดชังพวกหนึ่งพวกใดทําให้พวกเจ้าไม่ยุติธรรมจงยุติธรรมเถิดเออดีลูจงยุติธรรมเถิดหัวอัครบุลิตรกว่ามันเป็นสิ่งที่ใกล้กับความเยำเกรงยิ่งกว่าอัครบุริตรกว่าอัลลอฮฺสอนทาความดีเนะี่ยให้ทตนให้ทําตนไม่ใช่เป๊ะ หากว่าดํารงซึ่งความยุติธรรมถึงแม้ว่าเกลียดศัตรูนะอันนี้คือตะกัวตะกัวเคียรเกรงอัลลอฮฺศัตรูมาทํำร้ายเรามาค่มคืนภรรยาเราแต่เราไม่ข่มขืนภรรยาเขาเพรามันบาปทาไม่ได้ที่ทำได้นี่เราจะแก้แค้นเราจะตอบโต้ย่งไรในสิ่งนี้ศาสนาอานิย่าสิ่งนี้ศาสนานี้ิย่า เอาเ น, นี่ยอาเ น, นี่ยข้าได้แต่แต่มาข่มขืนพระนางก็พระนางก็เกี่ยวอะไรไม่เกี่ยว <c oughs> น่าจะบอกว่าหวัตกกวตะกัวนี่คือตะ ก, กวัวไม่ใช่ใกล้เคียงนะเราบอกว่ามันใกล้กับความเกียมเกลงกว่ากว่าอะไรอ่ะอันนี้หมายรวมว่า ให้พวกเราถำอมตนเวลาทำอะไรที่มันดีงามที่มันถูกต้องและมีคนถามว่ารู้สึกยังไงทำสิ่งดีๆแบบนี้รู้สึกยังไงเราจะพูดยังไงอันนี้แหละเราเป็นอย่างนี้ต้องทำความถูกต้องคนอื่นก็าทำไม่เป็นหรอกให้ถม่มตน เวลาเราเรารู้สึกยังไงเรารู้สึกยังบุกพ่องอยู่ตอนนั้นเขาหน้าน่าจะทําดีกว่านี้รู้สึกว่าความดีนี้อัลลอฮ์จะรับหรือเปล่าไม่รู้แต่เราทํำสุดความสามารถนะครับอยู่ที่อัลลอฮ์อัลลอฮ์จะรับหรือทำตนที่ท่านทานเนี่ยดีที่สุดแล้วเปล่าเลยที่ผมทำเนี่ยมันยังไม่น่าจะดีเลยนะทอำตน คนนี้เป็นคำสั่งว่าอัลลอลว่าอัครบูลุษต้กว่าใกล้กับความยังเงยงกว่ามันไม่มีความยำเงรงมันไม่ไดถึงจุดความยำ่ ง, งทั้งร้อยเปอร์ซ็นมันใกล้กว่ามีสอนให้ถ่งตตนเพราะบางทีมันก็ถูกต้องร้อยเอร์เซ็แต่อย่าอย่าอ้วนอย่าอยอย่ากเขมิมต้องถ่อมตน ถมต้นขณะที่กำลังเป็นกัวาิีนเป็นคนที่ทำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยดีแล้วอะไรก่ะและเป็นพยานด้วยความเชี่ยนธรรมเพื่อโลกทำในสถณนนี้และในขณะที่ถูกค่มเหนจะสศัตรูแต่ก็ไม่ลืมที่จะดำรงซึ่งความธรรมแต่ก็ยังทอมต้นรบบุลิตฐกิจยังสอนให้ทมตุนนี่แปลว่าอะไร <c oughs> ท่านนายวซลล่าเลวเซลมถูกขับไล่จากมักกะถูกขับไล่จากมักกะนี้กับท่านอบูเบกต้องไปแอบในถ้ำสภาพสภาพของคนที่ต้องหลบซ่อนต้องหนี้จากศักตรูแบบนี้นมันมันแย่ขนาดไหนพี่น้อง แล้วกูได้ยังไปทำสงครามไปฆ่าญาติพน้องสาวกนบีไปทำลายท่านนบีทำทำลายเศรษฐกิจขงมบดีนาไปล่อมบดีนะา ไ, ไปทำความสัมพันธ์กับฮิวจะได้ถล่มท่้นนบีอูชาวบัตยายนท่านนีดือดร้อนตลอดแปดปีที่โอเปอเรอยูย่เมกามิมวามสุกนเดรอนแต่ว่ามีโอกาสที่จะพิชิตมักกะพิชิตมักกะแม่ทัพเวลาเข้าเมืองที่ถูกพิชิตเออ ขี่มาเนี่ยขีม้าแล้วฮะอลังการแสดงวก็อลังการเปล่าประทินนบีเป็นแม่ทัพที่เข้าไปวิจิตเมืองที่เคยข่มเหงเข้ามาโดยตลอดนะเขาบอกว่าก้มหน้าก้มหน้าจนกระทั่งศีรษะของนบีเนี่ยเกือบจะบจะโดนอัลละห์อัลละห์เลยก็คือเก้าอี้ที่เขาวางบนอูดหรือบนม้านี่เกือบจะโดนก้มก้ ม, มแสดงความถ่อมตนความต่ำต้อย ไม่แสดงความเยื่อยิงความตะกร บ, บุถึงแล้ ว, ว่าเป็นคนยิ่งให่ที่สุดแล้วสามารถเรียกคนที่เคยเอาเท้ามาเหยียบศีรษาท่านนาบีคนที่เคยเอาหนามาวางบนทางเดินของท่านนาบีมาเลยมาเลยมาตั้งสารสารนกมามบิบักสารหมดเลยคนที่เคยแกล้งนบีนีนม่มามาจัดการหมดทั่นบีอิดฮับูไปเลย ถ้าพาเจ้าให้อภัยแต่หะบูฟานตุนตุลก็วัดต้นอุลล่าอินนลลาอลลอฮฺขบรูมิมตะาวิลุนแล้วเพียงยัเกรงอัลลอฮเถิดแทจริงอัลลอฮนั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ยังละเอียดในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำกัน ต้องสัญญาไว้กับคนที่ทำหน้า <saker> ที่แบบนี้ว่าจะได้รางวัลและที่ไม่ทำหน้าที่และปฏิเสธนี่ก็จะได้การลงโทษสองอายานี่ก็จะเป็นการย้าในการตอบแทนของคนที่ยืนอยตามที่ได้ระบุไว้ในข้ที่อายผี่อานแล้วจะลด้รับลงุมม้าวยผู้ที่อ่านแล้วจะได้รับการลงโทษข้อ11ว่าด้วยผู้ที่ศรับกา และประกอบสิ่งที่ดีงามหลายว่าสาหรับพวกเขานั้นคือการอภัยโทษการให้อภัยโทษและรางวัลอันยิ่งใหญ่ و l l a h ีนก็ฝรูกระเบิดบิอาญาทินา ا ุไรกาซาบุญจัยน์และบรรดาผูที่ปฏิเสธศรัทธาและปฏิเสธบรรดาองค์การกระเบุดบ บริษัทบันดาองค์การของเรานั้นอ็ได้กับชาบวิญญาณชนเหล่านี้แหละคือชาวมรดกะลั <c oughs> ะงวันที่ผู้ศรัทธาทุกคนที่ยืนเนี่ยด้วยความยากลบาบากนะปฏิบัติหน้าที่โดยดีเพื่ออัลลอฮแล้วก็เป็นพยานทุกครั้งที่พูดอะไรทำอะไรเสมือนเป็นพยาน ดีความดีความเที่ยงธรรมันเหมือนโลกนี้เหมือนเป็นศาลใหญ่มากพฤติกรรมทุกเรื่องวาระทุกวาระกิจกรรมทุกอย่างที่ในชีวิตของเราเนี่ยเส ม, มือนเป็นคดีเราอาจจะเป็นคู่กรณีหรือเป็นสัขีพยานที่ต้องดํารงซึ่งความเขี่ยงธร ถ้าเราเป็นคู่กรณีก็อย่าทำคู่กรณีถ้าเราเป็นพยานก็อย่าเข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดต้องมีความเที่ยงธรรมยากนะใครทำได้นี่เราบอกบนสวรรค์ใครที่ไม่ยอมใครที่ไม่เอานี่ก็จะเป็นชาวนรกพวาเราทุกคนอยู่ในบททดสอบนี้แม้ว่าจะดำรงอาชีพ ไหนจะทำงานแบบไหนจะมีคำพูดวาจารหรือพฤติกรรมแบบไหนเราก็ต้องพยายามให้มีความชอบธรรมในสิ่งที่เราได้ประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่จะทำให้เราได้อยู่ในแนวที่ถูกต้องที่สุดเนี่ยเรียนรู้อิสลามให้ให้มากที่สุดมันจะลดโอกาสความเสี่ยงที่จะพลาดลด และยิ่งลึกซึ่งในอิสลามยิ่งลึกซึ่งมันก็จะมีความสามารถที่จะค้นหาพวกไวรัสลึกลับเนี่ยเชื้อโรคลึกลับที่มันมองไม่เห็นเนี่ยแล้วก็ขจัดออกมันจะสามารถแยกได้ระหว่างความชอบใจกับความชอบธรรมแยกได้ระหว่างสิ่งที่สิ่งที่เราเอาศาสนาเนีมาเป็นฉากบังหน้ากับสิ่งที่มันเป็นคําสั่งของศาสนานจริงจริงแต่เราทํายากแต่เราต้องทํา ที่กงเราจะมีบททสอบแบบนี้หรใครที่ประสบความสำเร็จนี่นะคือคนที่เบาปรดปราร์ชจริงขอต้อนรับให้พวกเราทั้งหลายได้เป็นคนที่ดำรงสิ่งที่ให้อำลัพปลอดไทยอย่างเดียวไม่ยอยไปยุ่งกับมนุษย์ถึงแม้ว่าเราจะเสียหายถึงแม้ว่าเราจะขาดทุนถึงมว่าคนจะไม่ชอบถึงแม้ว่าคนจะตาหนิจาไม่ดี อยู่ในโลกนี้อยู่ในโลกนี้ทํางานศาสนาไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงนะั้นไม่มีอยู่ในโลกนี้ทํางานศาสนาเหมือนบรรดานบีละบะซูลแล้วไม่เสียหายเนี่ยไม่มีอยู่ในโลกนี้เนี่ยจะมีมิตรเพียงเดียวไม่มีศัตรูนี่นะอันนี้ไม่ใช่อิสลาม